ฮาเลลูยาฮัเลลูยานะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับใบวันนี้นะครับที่ข้าพเจ้าเองก็ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มานูจิตสูใจกับพี่น้องที่อยู่ในที่นี่นะครับพระเจ้าของพระเจ้านะครับที่จะมาถึงเราในใบวันนี้นะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมารากโกบทที่สี่ข้อที่สามสิบห้าถึงสีสิบเอ็ดตามที่ผู้นาได้อ่านไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็อื่นนะครับให้เรามา ร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาสุกาแด่พระบิดาเจ้าโมจนาขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทลายพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำของพระองค์และพระบิดาเจ้าขอบพระเจ้าสมโปรดโปรดเปิดตาใจแก่ข้าพระองค์ทลายที่จะได้ศึกษาพระเจ้าหนาของพระองค์ได้เติบโตไปกับพระองค์ในแต่ละวันแต่ละวันพระเจ้าขอพระเจ้าสุประสโอ้พระพรเราทุกทกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอฮเมน ในในการประกวดภาพวาดนะครับในที่มีราคาสูงพอสมควรนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับสันติสุขนะครับและก็มีผู้คนมากมายนะครับที่เข้ามาส่งเข้าประกวดนะครับส่งเข้าประกวดภาพวาดต่างๆนะครับจนคณะกรรมการก็ได้ตัดสินนะครับภาพเหล่านั้งต่างๆนะครับแล้วเหลือเพียงสองภาพสุดท้ายที่คณะกรรมการต้องตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ ที่นะครับภาพแรกนะครับคือภาพแรกเป็นภาพของชายชราคนหนึ่งนะครับที่นั่งตกปลาอยู่ริมแม่น้ํานะครับในถ้ำกลางธรรมชาติที่งดงามนะครับและสีหน้าของชายชราคนนี้นะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับมีแต่ความสุขนะครับและน้ําก็ไหลอย่างนิ่งสงบนะครับและภาพที่สองนะครับคือเป็นภาพที่เป็นภาพของน้ําตกใหญ่นะครับที่ไหลลงจาก เบื้องบนนะครับลงมาสู่เบื้องล่างอย่างอย่างรุนแรงนะครับและในภาพในนับตกใหญ่นี้นะครับไอ้ใต้ใต้ใกล้ๆกันนับตกนี้คือก็มีรังนกอยู่รังหนึ่งนะครับในภาพก็คือเป็นเป็นภาพที่ทําให้เห็นว่าแม่นกกับลูกนะครับกำลังหยอกล้อกันและแม่นกก็ป้อนอาหารให้กับลูกนะครับแล้วสุดท้ายนะครับ สุดท้ายคณะกรรมการก็ตัดสินว่าภาพที่สองนะครับเป็นได้รับรางวัลชนะเลิกนะครับโดยให้เหตุผลที่ว่าแสงที่สุขที่แท้จริงนะครับเป็นสงที่สุขที่มาจากภายในที่ไม่อยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับนอก่านั้นมีความสุขอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สงบนะครับจึงแสดงให้เห็นถึงแสงที่สุขที่แท้จริงนะครับพี่น้องที่รักครับโลกนะครับ โลกอาจจะให้ความสุขเราสั้นๆนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ไปวันๆนะครับแต่สารติสุดที่พระเจ้าทรงให้กับเรานั้นเป็นสารติสุดที่แท้จริงเป็นสารติสุดที่ไม่มีใครที่จะทิงเอาไปจากเราได้นะครับเป็นสารติสุดที่ถาวรนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในถ้ำกลางพายุร้ายก็ตามนะครับสารติสุดเหล่านั้นก็จะอยู่ในใจเราอยู่เสมออยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอนะครับฉะนั้นในใบวันนี้นะครับ ข้าพเจ้านะครับจะแ บ, บปัในหัวข้อในหัวเรื่องที่ว่าสันติสุขท่ามกลางพายุร้ายนะครับในการดําเนินชีวิตของคริสเตียนนั้นนะครับไม่ว่านะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะมีแต่ความสุขความสบายไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องเจอกับพายุร้ายต่างๆนะครับแน่นอนอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอกับพายุไร้ายแต่างอุปสรรคปัญหามากมายที่เข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าก็ประสงค์ให้ลูกของพระองค์มีสันติสุขท่ามกลางพายุไร้ายเหล่านั้นนะครับแล้วเราจะมีสันติสุขท่ามกลางพายุไร้ายได้อย่างไรนะครับในใบวันนี้นะครับพระเจ้าจะแบลปังเกี่ยวแนวทางนะครับอยู่สมรอนะครับแนวทางอยู่สมรอนะครับที่จะทําให้เรา มีสารติสุขถ้ำกลางพยายุไรนะครับรอที่หนึ่งนะครับรอที่หนก็คือให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสตท์ทรงอยู่กับเราตลอดเวลาให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาในเยนเวอที่พระเยซูนะครับได้ตรากับสาวกของพระองค์ว่าให้เราข้ามไปอีกฟากหนึ่งนะครับก็คือพระเยซูกำลัง บ, บอกกับสาวกว่าให้เราออกจากแคว้นกาลิลี ไปยังดินแดนเกราสานะครับถ้าเราดูในบทที่หข้อที่หนึ่งนะครับเพราะพราทรงรู้ว่าที่นั่นมีคนคนหนึ่งที่รอความช่วยเหลืออยู่มีคนคนหนึ่งที่รอการช่วยกู้ให้รอดที่มาจากพระเจ้านะครับแต่สาวกของพระองค์สาวกของพระเยซูาอาจจะไม่รู้นะครับทะเลกาลิลนั้นนะครับอยู่ระดับตามกว่าน้ำทะเลนะครับประมาณสองสิบสองเมตรนะครับ เป็นแอ่งในทะเลกาลีลีนะครับเป็นแอ่งที่ล้อมรอบด้วยภูเขานะครับภูเขาและเป็นเหตุการณ์ที่แบบเป็นลมหรือว่าพายุเกิดอย่างง่ายมากเกิดเกิดขึ้นอย่างกระทนหันรือที่เราไม่ได้โดยที่แบบไม่ไม่ได้ทำไม่ทำได้ตั้งตัวนะครับและเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับเมื่อพระเยซูทรงบอกกับสาวกเสร็จแล้วพระเยซูก็ลงเรือแล้วเพื่อที่จะเข้าไปอีกฝั่งนึ่งนะครับ ในขณะที่เรือนะครับกำลังแล่นอยู่บนน้ําทะเลนะครับพระเยซูทรงทําอะไรครับพระเยซูทรงนอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือนะครับก็เป็นภาพของความเป็นมนุษย์ของพระเยซูนะครับเป็นภาพของความเหน็ดเหนื่อยของพระเยซูในการเป็นมนุษย์นะครับส่วนสาวกของพระเยซูนะครับก็คงจะจับจับกลุ่มคุยกันนะครับหรือว่าบางคนก็จะทําภารกิจของตัวเองบนเรือ น, นั้นนะครับและ ทุกคนก็ไม่คิดอะไรนอกจากที่ว่ากันไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครค่าคิดไม่มีใครคิดถึงมาก่อนก็เกิดขึ้นนอกจากพระเยซูนะครับก็คือเกิดพายุใหญ่และคลื่นก็ซัซเข้ามาในเรือจนเรือนั้นใกล้จะจมอยู่แล้วนะครับเหลาสวาวโกของพระองค์เป็นชาวประมงที่ช่ำชองในการหาปลาในทะเลใหญ่นะครับแต่พวกเขานะครับกลาบอะไรครับ ตกใจกลัวนะครับตัวใจกลัวและลืมไปเลยว่าเขากำลังติดตามใครอยู่ลืมความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับลืมไปเลยว่าพระเยซูคริสต์อยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาลืมไปเลยว่าทุกๆวันที่เขาดําเนินดีก่ชีวิตกับพระเยซูเขาลืมพระเยซูไปนะครับแล้วพวกเขานั้นทําอะไรไม่ถูกนะครับคุมสติไม่อยู่นะครับ ซึ่งไม่ต่างอะไรจากการดําเนินชีวิตในการติดตามพระเยซูคริสต์ของเรานะครับที่เปรียบเสมือนมือกับเรือที่ต้องแล่นไปข้ามนาเพื่อที่จะนาความรอดของพระเจ้านําชีวิตนิรันดร์ไปยังคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าอีกมากมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่ที่เรากําลังติดตามพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเรานะครับไม่ได้กําลังตีว่าเราจะมีแต่ความสุขไม่ได้กําลังตีว่าเราจะไม่ เจอกับความทุกข์ยากลาบากต่างๆเมื่อได้กาลันตีว่าเราจะไม่ต้องเจอกับพายุไร้ต่างๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างในอนาคตข้างหน้าในการติดตามพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักครับหลายต่อหลายครั้งนะครับเรามักจะเป็นเหมือนกับสาวกของพระเยซูนะครับที่ทําอะไรไม่ถูกและลืมความเป็นตัวตนของตัวเอง ความลืมความเชี่ยวชาญในการเดินเดินในกลางทะเลใหญ่นะครับเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับพายุร้ายอย่างฉาับพลันเช่นเดียวกับเราที่มักจะลืมความเป็นบุตรของพระเจ้าความเป็นลูกของพระองค์ในการติดตามพระเยซูคริสต์ลืมไปเลยว่าพระเยซูคริตสต์ทรงอยู่กับเราขอให้ช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาขอให้ช่วยเหลือเราอยู่เสมอนะครับเมื่อเราต้องเผชิญกับพายุร้ายที่พัดกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของเราตอนนี้ ผมก็ไม่รู้ว่ามีพายุอะไรหรือเปล่าที่กำลังพัดกระหน่ำชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียบุคคลซึ่งเรารักนะครับโรทภายไข้เจ็บปัญหาในครอบครัวในที่ทำงานเรามีความรู้สึกว่าเราดเดียวเราไม่มีใครอยู่ข้างเราว้าเวยู่หรือเปล่าครับพี่น้องที่รักมีเพื่อแต่กลับรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราโดนเพื่อนของเราทิ้งหักหลังเรา หนีไปจากเราเมื่อเราต้องไปเชิญกับพายุร้ายนะครับหนีไปจากเราเมื่อเราต้องการความเชื่อเรียนจากคนเหล่านั้นจนทำให้เรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตกทุกข์ได้ยากขนาดนี้ยากเหลือเกินทำไมชีวิตของเราลังบากเหลือเกินเราต้องการคนที่อยู่เคียงข้างเราแต่ไม่มีใครที่จะอยู่เคียงข้างเราแล้วจึงทำให้เรานั้นจึงทาให้เราเกิดและครับความกลัว ใ น, ในถ้ำกลง า, างพายุไร้ต่างๆแล้วเราก็ขาดสติสุดไปจากพระเจ้ า, จาพี่น้องที่ร้นครับแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะครับจะสุขหรือทุกข์นะครับจะรู้สึกว่าไม่มีใครที่คอยอยู่เคียงข้างเราหรือว่าพายุจะพักกระนำชีวิต ข, ของเรามากน้อยแค่ไหนขอให้เรารู้ไว้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับเราอยู่เสมอคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอพระองค์จะไม่ปล่อยให้ลูกของพระองค์อยู่ตามลําพัง พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพระเยซูคริสต์แล้วฉันใดพระเยซูคริสต์จะทรงสถิตอยู่กับเราด้วยกันฉันนั้นในพระธรรมประุมการบทที่ยี่สบดข้อที่สิบห้านะครับได้บอกกับเราว่าเราอยู่กับเจ้าเราจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่หงที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายัางดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทําสิ่งซึ่งเราพูดกับเจ้าไว้แล้วนั้น ในพระธรรมฮิบรูบทที่ส3บาข้อที่หนะครับได้บอกกับเราว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอด ท, ทิ้งท่านเลยนะครับยังไม่พอนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่1น9นะครับข้อที่9และส0บนะครับบอกกับเราว่าถ้าข้าพระองค์จะติดปิดแสงอรุณและอาศัยอยู่ที่ส่วนของทะเลไกลโพนแม้ที่นั่นพระหัตของพระองค์จะนำข้าพระองค์และพระหัตขวาของพระองค์ จะยึดค่าพระองค์ไว้พี่น้องที่รักครับพระเยซูคริสต์เจ้าทรงอยู่กับเราอยู่เสมออยู่กับเราตลอดเวลาไปกับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเราจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามจะทุกข์หรือสุขจะอยู่ในท่ามกลางพา ย, ยุร้ายอะไรก็ตามพระเยซูคริสต์เจ้าทรงอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาทรงไปกับเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นขอให้เรามั่นใจใน ความเชื่อของเรามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าในการทรงนำของพระองค์นะครับฉะนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาชีวิตของเราที่ในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเราจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับเราทุกๆเวลานะครับนั่คือและรอรอที่สองนะครับรอที่สองที่จะทําให้เรามีสันติสุขท่ามกลางพยายุไรก็คือให้เราร้องทูลต่อพระเยซูคริสต์ให้ช่วยเราอยู่ตลอดเวลาให้เราร้องทูลต่อพระเยซูคริสต์ให้ช่วยเราอยู่ตลอดเวลานะครับ ขณะที่เกิดพายุใหญ่นะครับเหล่าสาวกของพระองค์ก็อยู่ในอาการที่มีแต่ความกลัววุ่นวายใจไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับกลัวว่าเรือจะจมนะครับสาวกจึงไปปลุกพระองค์ด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความตึงตระ노ตกใจอย่างมากเหมือนกับไม่เคยเจอพายุใหญ่แบบนี้มาก่อนนะครับได้ทูลว่าอาจารย์เจ้าค่าข้าพระเจ้าทั้งหลายจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงเราบ้างหรือ แล้วพระองค์แล้วพระเยซูนะครับก็ทรงลูกขึ้นห้ามลมนะครับตามที่สาวกของพระเยซูได้ทุงขอนะครับได้ตรัสว่าจงเงียบสงบสิแล้วลมทั้งหลายนะครับก็หยุดขึ้นก็สงบเงียบทั่วไปนะครับพี่น้องที่รักครับในชีวิตของเรานะครับเราต้องเผชิญกับพายุหลายชนิดพายุเรื่องการเงินนะครับปัญหาในชีวิตสมรส ครอบครัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกันทรยศและยังต้องเผชิญกับพายุอื่นๆอีกมากมายนะครับที่พัดกระหนามเข้ามาในชีวิตของเราพายุอะไรครับพายุวัตถุนิยมนะครับพายุโลกานิยมพายุศีลธรรมเสื่อมพายุความไม่ยุติธรรมพายุการก่อการร้ายและสงครามต่างๆมากมายที่เรากําลังเผชิญอยู่นะครับและพายุเหล่านี้มักจะทําให้เรา หมดอะไรใจอยากนะครับไม่มีกําลังใจที่จะเดินต่อไปไม่มีกําลังพอที่จะเดินต่อไปชีวิตมีแต่ความทุกข์ร้อนไม่มีสันติสุขเลยชีวิตนี้อยู่ยากเหลือเกินมองไปทางไหนก็มีแต่พยายุไร้ที่กําลังพัดเข้ามาในชีวิตของเราตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าพี่น้องแต่ละท่านมีพยายุอะไรบ้างที่กําลังพัด ก, กระหน่ำเข้ามาในชีวิตของพี่น้องแต่ละแต่ละท่านนะครับแต่ผมจะจะบอกว่า เราทุกคนถึงไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาถึงไม่ว่าจะเจอกับพายุไร้แต่ตางเราอย่างพึ่งหมดหวังอย่างพึ่งทถ อ, อ, อยนะครับถ้าเราดูในชีวิตของพระเยซูนะครับในขณะที่เกิดพายุใหญ่กระ น, นามเรือนะครับจนเรือนะั้นใกล้จะเต็มอยู่แล้วก็ใกล้จะจมอยู่แล้วนะครับพระเยซูทําอะไรครับพระเยซูทรงนอนหลับอยู่ที่ท้ายเรืออย่างสุขสบายพระเยซูไม่ได้เป็นห่ว ง, งเลยพระเยซูมีความสุข ทำไมครับเพราะพระเยซูทรงรู้ว่าพระเป็นเจ้าทรงควบคุมอยู่พระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์ทรงมีอํานาจเหนือทุกสิ่งเหนือพายุเหล่านั้นและพระองค์ทรงทราบว่าพายุจะหยุดแน่ๆเมื่อพระองค์ตรัสสั่งให้มันหยุดนะครับทั้งที่ที่พระองค์ตรัส ก, กับเชลี ว, ว่าจงเงียบสงบสิแล้วลมก็หยุดพาออพยุก็หยุดนะครับแล้วทิ้นก็สงบทั่วไป ะฉะนั้นเมื่อเราต้องประสบกับพายุร้ายนะครับที่พัดกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของเรานะครับและเราก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะครับเราก็ไม่มีกําลังพอที่จะเดินต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นคนบาปเราไม่มีกําลังพอที่จะเดินต่อไปนะครับฉะนั้นพระเจ้านะครับพระเจ้าต้องการให้ลูกของพระองค์นะครับเข้ามา ร้องทุ่งต่อพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอริษอํานาจจากพระเจ้านะครับที่จะประทานสติปัญญาที่จะประทานพระรกําลังที่เราจะเดินต่อไปประทานสติปัญญาที่จะแก้ไขาปัญหาต่างๆที่เรากําลังเผชิญอยู่ในพระธรรมเยเรมีย์บทที่สาข้อที่สได้บอกกับเราว่าจงทุนเราและเราจะตอบเจ้าและจะเหมาะะะและจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้ น, นั้นให้แก่เจ้า พี่นอนทีระครับพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราและตอนนี้พระเจ้าก็ต้องการให้เราเข้ามาหาพระเจ้ามาคุกเข่าอยู่ต่อหน้าพระบาลังของพระเจ้าคุกเข่าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าต่อความทุกข์ยากและบาดเจ็ต่างต่อพายุไร้ที่เรากําลังเผชิญอยู่เพื่อที่พระเจ้านั่จะประทานกําลังที่เราจะสู้ต่อไปด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าผ่านทางพระสัญญาของพระองค์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเราที่จะอยู่กับเรา จะนมเรานะครับฉะนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาและทรงช่วยชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตในแต่ละวนันแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะมีกำลังที่จะสู้ต่อไปในท้ำกลางพายุร้ายที่กำลังพักกระหน่ำชีวิตของเรานะครับแนวทางนะครับแนวทางอยู่สามรอนะครับรอรอที่หนึ่งในรอที่หนึ่งนะครับก็นะคือนะให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับเรานะครับ รอที่สองคือให้เราร้องทูลต่อพระเยซูคริสต์ให้ช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลานะครับและรอที่สามนะครับที่จะทําให้เรามีสันติสุขท่ามกลางพยายุร้ายก็คือให้เราเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระเยซูคริสต์อยู่ตลอดเวลาให้เราเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระเยซูคริสต์อยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราดูในข้อที่สี่สี่เ็นะครับได้บอกกับเราว่าพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้ า, จาไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งนะครับและพูดกับและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอขณะลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านนะครับความกลัวทําให้สาวกของพระเยซูนั้นเกิดความสงสัยในความไว้วางใจในพระเยซูและพวกเขาก็เกิดก็ก็ประเมินพระองค์ตามกว่าความเป็นจริงนะครับทั้งที่ทั้งทงที่พวกเขาก็ ใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซู อ, อยู่ตลอดเวลาพวกเขาไม่เห็นว่าฤทธิอำนาจของพระองค์ใช้ได้กับสถานการณ์ที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่เช่นเดียวกับการดาเนินชีวิตของเราในโลกปัจจุบันนี้นะครับเราไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปเหมือนอย่างที่สาวกของพระเยซูออที่ตกใจในความกลัวท่ามกลางพายุใหญ่จนทำจนทให้พระเยซูนะครับถามเขาว่าทาไมเจ้ากลัว เจ้าไม่มีความเชื่อหรือบางคราวเราอาจจะก้าวออกจากสันติสุขและเข้าสู่วงล้อมของปัญหาอันเจ็บปวดและเราจึงถามว่าเราจะทําอย่างไรต่อไปนะครับเราอาจจะกลัวและสงสัยและจะมีคําถามมากมายนะครับว่าทําไมนะครับทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้พายุร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทําไมพระเจ้าไม่อนุญาตให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ้าง ทำไมมีแต่ความทุ่ร้อนทำไมมีแต่พายุใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตของเราพัดกระหน่ำชีวิตของเราทำไมแล้วถ้าเราเกิดคำถามอย่างนั้นพระเยซูก็จะถามเราว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือเจ้าไม่ไว้วางใจเราหรือพี่น้องที่รักครับ กอนที่เราจะมีคําถามหรือความสงสัยต่างๆนานาชนิดนะครับขอให้เราเชื่อและวางใจว่าในท่ามกลางปัญหานี้พระเจ้ากําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สุดท้ายแล้วก็เพื่อสวัสดิภาพของเราเองนะครับแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่เราจะผ่านไปได้เมื่อเราระลึกถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าเมื่อเรารื่อเถึงพระวจะนะคำของพระองค์นะครับอย่างที่ในพระธรรมสดุดีบทที่56นะครับข้อที่สได้บอกกับเราว่าเมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์คนที่เป็นพ่อนะครับก็คนที่เป็นพ่อแม่ที่มีครอบครัวที่มีลูกก็อาจจะรู้นะครับว่านะครับว่าเมื่อพ่อนะครับพาลูกน้อยไปหาหมอนะครับแล้วในห้องก็มีในห้องที่ก่อนที่จะไปพบหมอนะครับในห้องนั้นก็มีของเล่นมากมายนะครับให้เด็กเล่นนะครับแล้วพ่อก็หยิบนิยตยาสารนะครับอ่านให้ลูกฟังนะครับ ถึงขั้นตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเด็กก็ยังมีความสุขอยู่แต่พอถึงเวลาที่พ่ออุ้มลูกนะครับขึ้นมานะครับลูกรู้ทันทีเลยนะครับลูกกอดกอดคอของพ่อไว้แน่นนะครับแล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปนะครับจากความเฮฮาความสนุสนานกลายเป็นน้ําตานะครับและยิ่งพยาบาลนะครับเดินเข้ามาใกล้ลูก นะครับก็จะยิ่งกดพ่อให้แน่นนะครับพี่นอนทีละครับยิ่งเรามีปัญหาหนักเท่าไหร่นะครับเราก็ควรจะทําเหมือนกับลูกคนนั้นนะครับคือกดพระองค์ไว้ให้แน่นวางใจในพระองค์เพราะความรักของพระองค์ไม่มีวันสูญสิ้นไปจากชีวิตของเรานะครับแน่นอนนะครับในพายุนะครับพายุในชีวิตของเรานะครับเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าปฏิกริยาแรกของเราคือการที่เราจะวิ่งหนีปัญหาเหล่านั้นนะครับแต่แทนที่เราจะเป็นอย่างนั้นนะครับให้เราก็สามารถจะทูลขอจากพระเจ้าให้พระเจ้าประทานความไว้วันใจให้กับเราประทานเลยครับประทานสาันติสุขให้กับเราใช้เวลากับพระเจ้าอาธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักครับการติดตามพระเยซูคริสต์นั้นนะครับ เราไม่รู้ว่าเราต้องพบเจอกับอะไรบ้างในอนาคตขา้างหน้าจะทุกข์หรือสุขมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับจะยากเยินเท่าไหร่นะครับใหญ่แค่ไหนจะมีพายุใหญ่แค่ไห น, ห น, ไหนที่พัดกระหน่ำชีวิตของเรานะครับเราก็ไม่รู้นะครับแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือพระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับเรา ไปกับเราอยู่ตลอดเวลาจะคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาจะคอยประทานกำลังให้กับให้แก่เราเมื่อเราต้องไปชนกับพายุร้ายที่พัดกระห น, น่ำเข้ามาในชีวิตของเราและจะทรงนามเราให้ผ่านพ้นไปจากพายุร้ายเหล่านั้นที่พัดกระห น, น่ำชีวิตของเราด้วยพระคุณและความรักของพระบิดาเจ้าและในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องจำไว้อยู่เสมอว่าชีวิตแห่งการติดตามพระเยซูคริสต์นั้น บ่อยครั้งที่พระองค์ม่ได้ทรงห้ามพายุทันทีนะครับและเราก็อาจเป็นเหมือนกับสาวกที่สาวกของพระเยซูที่รู้สึกว่าพระองค์ไม่สนใจเราเลยนะครับแต่เราขาจัดความกลัวของเราได้ด้วยการยึดมั่นในความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้านะครับและทรงทำสิส่งสรพักได้และสามารถ เราสามารถที่จะเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์ได้นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อที่1นะครับได้บอกกับเราว่าผู้ที่อาศัยอยู่นักที่กําบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิตริษเราสามารถขอให้พระองค์ทรงช่วยเรานะครับมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยพระกรุณาเราสามารถพักสงบในพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้า ทรงเปี่ยนด้วยสติปัญญานะครับพระเจ้าทรงอุ้มเราอยู่เสมอนะครับผ่านทางพระคุณและความรักของพระเจ้าฉะนั้นขอให้เรามั่นเชื่อ ม, มั่นในพระสัญญาของพระเจ้ามีความเชื่อ ม, มั่นในพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไปกับเราและพระเจ้าเป็นผู้ที่เราสามารถที่จะไว้วางใจได้ในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเรา จากที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นนะครับเราจะเห็นถึงแนวทางอยู่3รอนะครับที่จะทําให้เรามีสันติสุขท่ามกลางพายุร้ายนะครับรอที่หนคือให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสตท์ทรงอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลานะครับ cały cały cały cały cały รอที่2คือให้เราร้องทูลต่อพระเยซูคริสต์ให้ช่วยเราอยู่ตลอดเวลานะครับและรอที่3นะครับให้เราเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเยซูคริสต์อยู่ตลอดเวลานะครับ จอสนงครับจอสเป็นเป็นชาวประมงจับปลาไซมอนนะครั บ, เ, เ, เ, รรรบเขาส่งรูปให้กับพ่อนะครับเป็นรูปเรือลำเล็กๆลำหนึ่งนะครับซึ่งกำลังแล่นผ่านช่ชองแคบที่อยู่ข้างหน้าไม่กี่ร้อยเมตรนะครับเมฆซึ่งสอเขาพายุปรากฏอยู่ตรงหน้าขอบฟ้านะครับแต่สายรุ้งซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมและดูแลด้วยความรักนะครับ กลับทอดตัวจากฝั่งหนึ่งของช่องแคบนะครับไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับล้อมรอบเรือลาเล็กๆนั้นนะครับภาพไทยนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางในโลกของเรานะครับเราแล่นเดิมไปสู่อนาคตที่ไม่แน่นอนนะครับแต่ความศักดื์อของพระเจ้าจะล้อมรอบเราไว้นะครับ ความรักและความดีงามของพระเจ้าจะอบล้อมเราไว้เสมอจ ะ, จะไม่ไปห่างจากชีวิตของเรานะครับพี่น้องที่รักครับอากเป็นไปได้ยากที่เราจะมีสันติสุขท่ามกลางพยายุร้ายและอากเป็นไปได้ง่ายนะครับที่เราจะพอถอยนะครับหมดหวังกับชีวิตในการติดตามพระเจ้า เนื่องด้วยพายุที่พัดกระหน่ำชีวิตของเราอย่างหนักนะครับจนเรารู้สึกว่าหนักอิเลือเกินเราแบกไม่ไหวแล้วเราสู้ไม่ไหวเราเดินต่อไปไม่ไหวแล้วแน่นอนนะครับแน่นอนเราทนไม่ได้เราเก้าวขาไม่ออกนะครับเราสู้ไม่ไหวเพราะเราเป็นคนบาปเราไม่มีกำลังพอที่จะเดินต่อไปตามลาพังแต่ถ้าเรายุด มั่นอยู่ในความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาคอยช่วยเหลือเราอยู่เสเมอกเพียงแค่ให้เรามาคุกเข่าอยู่ต่อหน้าพระพัรพระเจ้าทุ่งต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเราใ น, น่าำกลางพายุไร้เหล่านั้นแล้วพระคุณและความรักของพระเจ้าจะประทานสติปัญญาจะประทานสัทญญทนสทิสุูที่แท้จริงในถ้ำกลางพายุไร้เหล่านั้นให้กับเราในพระธรรมยอญนะครับยอห์นบทที่สิบี่ข้อที่ยีสิบเจดนะครับได้บอกกับเราว่า เรามอบสันติสุดไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุดของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอยากลวเลยพี่น้องที่รักครับพระเจ้าประทานนะครับพระเจ้าประทานสันติสุขให้กับเราและพระเจ้าก็ประสงค์ให้ลูกของเรานั้นดำเนินชีวิตในการตีตามพระเยซูคริสต์อย่างมีสันติสุข และพระเจ้าก็ประทานให้เราแล้วฉะนั้นอย่าให้มรสุมชีวิตหรือว่าอย่าให้ปัญหามรสุมหรือพายุชีวิตนั้นทําให้เราออกห่างไปจากสติสุขของพระเจ้าอย่าทำให้ปัญหาเหล่านั้นทําให้เราไม่มีสติสุขในพระเจ้าแต่นะครับแต่ให้มรสุมหรือพายุชีวิตที่ซักระหนาวเข้ามาในชีวิตของเราเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะทําให้เรามีจิตวิ ญ, ญญาณของเราที่ยังราก ลงในพระเจ้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าตรับใดที่เรายังยังรากลึกในพระคริสต์ชีวิตของเราก็จะพร้อมที่จะเผชิญกับพายุร้ายาต่างๆนะครับและยิ่งมรสุมร้ายสั ก, กน้มชีวิตของเราซเติมและยิ่งนานเท่าใดชีวิตของเราก็จะยิ่งอย่างรากลึกลงในพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็ จะได้พบกับสันติสุขถ้ำกลั่นพายุร้ายนะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาและขอพระเจ้าทรงช่วยเราในการดําเนินชีวิตของเรานะครับเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ที่อ่อนแอเราเป็นคนบาปด้วยกําลังของเราเองเราไปไม่ได้แน่นอนนะครับแต่พระเจ้าอยู่กับเราพระคุณและความรากของพระเจ้าอยู่กับเราฉะนั้นขอให้เรา ใช้เวลากับพระเจ้าให้เราทุนขอจากพระเจ้าทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าหมดหวัง น, นะครับทุกครั้งที่เราต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหานะครับให้เราใช้เวลากับพระเจ้าไว้วันใจในพระองค์นะครับแล้วให้พระเจ้านำเราให้ผ่านทีละขั้นทีละขั้นจนไปถึงสันติสุดในจนถึงสันติสุดที่แท้จริงในทถ้ำกลางพยายุไร้เหล่านานนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ศาสดาแด่พระบิดาเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเมตตาชีวิตของข้าพระองค์ทลายขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับกระทรงนำของพระองค์ในแต่ละวันแต่ละวันพระบิดาเจ้าและขอบพระเจ้าทรงเมตตาชีวิตของข้าพระองค์ทลายทรงเปิดตาใจแก่ข้าพระองค์ทลายในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปและขอพระเจ้าทรงประทานพระรักกามลังกับเราขอให้พระคุณและความรักของพระเจ้าขอให้สารทิุขของพระองค์ดารงอยู่กับเราอยู่เป็นนิจในการที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราในการที่จะ ฟ่าฟันกับพายุร้ายที่เข้ามาที่พั ก, ก น, นำชีวิตของเราพระเจ้าขอพระเจ้าสุขปปสมเมตตาชีวิตทรงนำพาชีวิตของข้าพเจ้าลงทลายต่อไปในพระนามพระสุดคิดเจ้าเฮเมน